คุณกรณ์เป็นพนักงานขายของอยู่ที่ร้านมินิมาร์ทแห่งหนึ่งในปั๊มน้ํามันย่านคลองหลวงปทุมธานีนะคะคุณกรณ์เพิ่งจะผ่านประสบการณ์ประทึกขวัญมา ส, สดๆร้อนๆเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองก็เลยอยากจะนําเรื่องนี้มาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะตามธรรมดาแล้วนะคะพนักงานขายภายในปั๊มน้ํามันแห่งนี้ก็จะมีการเข้าทํางานกัน3มกะโดยวันนั้นเองนะคะคุณกรณ์ก็เข้าทํางานในกะดึก จำได้ว่าเป็นคืนที่ฝนตกหนักมากคืนหนึง่งก็มีรถของผู้ที่สัญจรผ่านไปมาแวะเข้ามาหลบฝนที่ปั๊มนี้หลายคัน ประมาณตีสองเศษค่ะฝนที่ตกมาอย่างหนักเกือบสองชั่วโมงก็ได้เริ่มบางตาลงรถที่เข้ามาจอดหลบฝนต่างก็ค่อยๆทยอยกันออกเดินทางต่อไปคนในร้านจึงไม่ค่อยยุ่งมากนักนะคะคุณกรณ์ก็เลยถือโอกาสนั้นเดินเข้าห้องน้ำทางด้านหลังปั๊มโดยให้เพื่อนอยู่เฝ้าร้านเพียงแค่คนเดียวเมื่อเสร็จธุระเรียบร้อยแล้วคุณก่อนก็เดินออกจากห้องน้า ขณะเดียวกันค่ะก็ได้เห็นรถแท็กซี่คันนึงเลี้ยวเข้ามาภายในปั๊มแล้วก็มาจอดอยู่ที่หน้าห้องน้ำห่างจากจุดที่คุณกอนอยู่ไม่ค่อยไกลนั ก, ก น, นะคะแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ยังคงเดินเรื่อยๆจนเกือบถึงมิดิมาต์อยู่แล้วก็เกิดนึกขึ้นได้ว่าลืมหยิบหนังสือที่เอาไปอ่านขณะที่นั่งห้องน้ำติดมือกลับมาด้วยก็เลยจาเป็นต้องเดินกลับไปยังห้องน้าอีกครั้งหนึ่ง ในช่วงระหว่างที่เดินหุ่นกลับไปที่ห้องน้ําครั้งนี้นี่เองค่ะที่ทําให้คุณกรต้องเดินผ่านจุดที่รถแท็กซี่จอดอยู่พอเดินเข้าไปใกล้ตัวรถเขาก็ได้เห็นว่ามีคนนั่งอยู่ภายในรถตรงเบาะหลังคนหนึ่งสายตาของเขาก็มองไปเห็นอย่างไม่ได้ตั้งใจนะคะก็เลยทําให้เห็นภาพที่ไม่คิดว่าจะเห็นท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้ชายคนที่นั่งอยู่ภายในรถแท็กซี่คันนั้นนั่งนิ่ง อยู่ในลักษณะอาการที่เอาหัวพิงกับกระจกด้านที่คุณกรเดินผ่านไปใบหน้าของเขาซีดขาวไปหมดทั้งหน้าแม้แต่ริมฝีปากก็ซีดจนแทบจะมองไม่เห็นสีตามธรรมชาติของปากมนุษย์โดยทั่วไปเขาก็จ้องมองประสานสายตากับคุณกรอย่างจริงจังค่ะจนต้องหลบสายตาของเขาเพราะว่ามันเกิดความรู้สึกที่บอกไม่ถูก จนเหมือนมีความรู้สึกนะคะว่าผู้ชายที่นั่งอยู่ในรถแท็กซี่คันนั้นกำลังพยายามจ้องมองดูคุณกรอยู่เพื่อให้เกิดความรู้สึกหวั่นไหวแล้วก็หวาดกลัวอย่างจงใจเนื่องจากสายตาของเขามันเย็นชาราวกับคนที่ไม่มีความรู้สึกยังไงอยางงั้นค่ะ ตอนนั้นคุณกอนคิดว่าเขาคงจะเป็นคนป่วยที่แท็กซี่มารับเพื่อจะพาไปส่งที่บ้านหรืออาจจะกําลังเดินทางไปโรงพยาบาลก็ได้นะคะพอเข้าไปหยิบหนังสือได้เรียบร้อยแล้วขากลับเขาก็ยังคงเห็นผู้ชายคนที่นั่งอยู่ในรถแท็กซี่คันนั้นยังคงจ้องมองอยู่เช่นเดิมแล้วก็คราวนี้ก็ได้เห็นเลือดไหลออกมาจากจมูกของเขาเป็นทางใบหน้าซีดจนเกือบจะเป็นสีเหลืองในตาเหลือกลานเหมือนคนกําลังชักกระตุกด้วยอาการป่วยค่ะ เมื่อเห็นดังนั้นเขาก็เลยรีบวิ่งกลับเข้าไปยังห้องน้ำอีกครั้งแล้วก็ตะโกนเรียกคนขับรถแท็กซี่ด้วยความตกใจกับภาพที่เห็นพร้อมกับละล่ำละลักบอกคนขับแท็กซี่นะคะว่าผู้โดยสารของเขากำลังมีอาการหนะักให้รีบออกไปดูเพื่อจะได้รีบนําส่งโรงพยาบาลให้ทันก่อนเกิดเหตุร้ายขึ้นนะคะพี่คนขับแท็กซี่คนนั้นมองหน้าคุณกอนอย่างประหลาดใจคุณกอนบอกว่าเห็นแขนของเขาขนลุกขึ้นมาพร้อมกับสีหน้าตื่นตะนก พร้อมกับบอกว่าเขาขับรถเข้ามาในปั๊มเพียงคนเดียวเท่านั้นไม่มีผู้โดยสารมาด้วยสักคนประตูรถก็ล็อกสนิทเรียบร้อยแล้วจะมีคนนั่งอยู่ในรถได้อย่างไรแต่เมื่อพี่แท็กซี่เดินกลับมาที่รถพร้อมกันกับคุณกอนค่ะ mm. ก็ปรากฏนะคะว่าไม่มีใครอยู่ในรถจริงๆเลยภายในรถว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ทั้งสิน้นแล้วชายคนที่เห็นถึงสองครั้งสองหนคนนั้นเป็นใครเพราะว่าคุณกรณเห็นเขานั่งตาเหลือกอยู่ในรถเมื่อสักครู่นี้ คราวนี้เนี่ยกลับต้องเป็นคุณกอนเองแหละนะคะที่ต้องขนลุกขึ้นมาบ้างเมื่อพีแท็กซี่ได้เล่าให้ฟังถ่ะว่าเมื่อวันก่อนเขาได้รับผู้โดยสารคนหนึ่งซึ่งเป็นคนป่วยไปส่งที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วก็ก่อนที่จะไปถึงโรงพยาบาลผู้ป่วยคนนั้นก็มีอาการกระตุกแล้วก็เกรงแล้วก็แน่นิ่งไปต่อหน้าญาติพี่น้องค่ะที่ร้องตะโกนเรียกกันเป็นเสียงหลงภายในรถแต่นะคะพอถึงโรงพยาบาลเขาก็อุ้มร่างชายคนนั้นลงไป แกก็ขับรถออกมาตามปกติแต่ว่าสิ่งที่น่าแปลกก็คือทำไมคุณกรณถึงเห็นผู้ชายที่มีลักษณะเดียวกันกับผู้ชายที่ป่วยที่เขารับมาเมื่อวันก่อนทั้งที่คุณกรณเองบอกนะคะว่าเขาก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยพี่แท็กซี่ก็ไม่กล้าเข้าไปในรถละค่ะเมื่อเราคุยกันถึงเรื่องแปลกประหลาดเรื่องนี้พอคุณกอนกับ พี่แท็กซี่เนี่ยเดินห่างออกไปจากรถมาตรงจุดใกล้กันกันกบหัวใจน้ํามันแล้วก็เล่าให้บรรดาเด็กปั๊มที่ยืนอยู่ตรงนั้นฟังก็ปรากฏนะคะว่าทุกคนเห็นเหมือนกันกับที่คุณกรเห็นนั่นก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งนั่งมาทางเบาะด้านหลังตอนที่พี่แท็กซี่ขับรถเลี้ยวเข้ามาในปั๊มตั้งแต่ทีแรกพอได้รับคํายืนยันอย่างนี้ค่ะพี่แท็กซี่คนนั้นก็ไม่กล้ากลับขึ้นรถเลยค่ะแค่นั่งรอรออยู่อย่างนั้นแหละจนกระทั่งสว่างคาตาแก่ถึงกล้ากลับเข้าไปในรถแล้วก็ขับ ออกไปอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณกรณบอกว่าผมคิดว่าชายคนนั้นป่วยแล้วก็คนนั้นอาจจะเสียชีวิตตั้งแต่อยู่บนรถแท็กซี่ก่อนถึงโรงพยาบาลแล้วแต่ไม่มีใครรู้จนกระทั่งคุณกรณแล้วก็เด็กปั๊มได้มองเห็นเขาเมื่อกลางดึกคืนนั้นนั่นเองค่ะ เรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องที่ลูกเพจในแฟนเพจพระเจอผีแล้วก็เป็นคุณผู้ฟังทางช่องพระเจอผีของเราบนช anel ใน Youtube นะคะได้ส่งเรื่องเข้ามาค่ะชื่อสมมตินะคะขออนุญาตเรียกชื่อสมมุติละกันว่าคุณก้อยนะคะคุณก้อยบอกว่าสวัสดีค่ะหนูขออนุญาตนำเรื่องราวที่หนูเคยเจอมาสมัยตอนยังเป็นเด็กมาเสนอให้เพื่อนๆได้ฟังกันดังนี้นะคะ คุณก้อยบอกว่าเป็นคนมาบตาพุธจังหวัดระยองเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่คุณก้อยเองเนี่ยเรียนอยู่ชั้นป .6 ค่ะเป็นประสบการณ์สยองครั้งเดียวในชีวิตที่ทุกวันนี้เนี่ยเรียกว่ายังจำติดตาภาพยังคงชัดเจนอยู่เลยแม้ว่าเรื่องจะเกิดมานานเกือบ10ปีแล้วก็ตามแล้วก็ขอรับรองนะว่าในเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงไม่ได้มีการเสริมแต่งแต่อย่างใดเลย วันนั้นคุณก้อยบอกว่าเป็นวันแต่งงานของญาติคนหนึ่งซึ่งบ้านเนี่ยที่จัดงานแต่งงานกับบ้านของคุณก้อย น, ะนั้นอยู่ห่างกันไม่ค่อยเท่าไหร่นักนะคะเรียกว่ า, าคุณก้อยนอนอยู่ที่บ้านก็ได้ยินเสียงเครื่องไฟค่อนข้างดังเพราะว่าอยู่ห่างไม่ถึงร0อยเมตรเย็นวันศุกร์ดิบก่อนวันพิธีหนึ่งวันพ่อแม่แล้วก็พี่ของนกคุณก้อยนะคะก็ได้ไปช่วยงานที่บ้านญาติคุณก้อยบอกว่าจาได้ว่า วันนั้นเนี่ยตรงกับเย็นวันเสาร์พอดีรุ่งขึ้นวันนั้นก็คือวันอาทิตย์จะเป็นพิธีแต่งงานนะคะตอนนั้นทุกคนออกจากบ้านไปที่บ้านงานกันหมดเหลือเพียงแค่คุณก้อยอยู่ที่บ้านคนเดียวที่ยังไม่ได้ไปเพราะบอกแม่ว่าจะทำการบ้านให้เสร็จก่อนแล้วก็จะขออนุญาตตามไปด้วยนะคะคุณก้อยทำการบ้านแต่ว่าก็ทาได้ไม่เท่าไหร่ก็ดันเผลอหลับไปซะก่อน ตอนนั้นกำลังเพลว์เพลพอดีก็ได้เปิดไฟในห้องไว้หนึ่งดวงก่อนที่จะหลับพอนอนหลับไปนานขนาดไหนไม่ทราบแต่ว่ามารู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งคือเหมือนรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างมาสกิดที่ต้นขาเบาๆแต่ด้วยความงวงเงียนะคะก็เลยไม่ได้สนใจอะไรมากนะักได้แต่เอามือปัดๆ ด, ด้วยความรําคาญตามประษาคนที่ตื่นยังไม่ค่อยเต็มตาเท่าไหร่ จากนั้นอีกสักครู่หนึ่งค่ะก็ต้องรู้สึกตัวเมื่อรับรู้ถึงแรงสัมผัสจากอะไรบางอย่างที่เย็นเยอือกกําลังมาเกาะกลุมอยู่ที่แขนแล้วก็บีบเบาๆพอลืมตาขึ้นมามองก็ปรากฏนะคะว่าไม่มีอะไรเลยในห้องนั้นมีเพียงแค่ตัวของคุณก้อยเองที่กําลังนอนหงายอยู่ในพื้นห้อง หันหัวไปทางหน้าต่างส่วนปลายเท้าหันชี้ไปที่หน้าตู้กระจกทรงสูงหลังหนึ่งที่วางอยู่ถัดไปประมาณวาหนึ่งเห็นจะได้ตู้ใบนั้นนะคะตรงประตูตู้ด้านหน้าเป็นกระจกเงาสูงเท่าความสูงของตู้ค่ะถ้ามองผ่านกระจกบานนั้นก็จะเห็นมุมกว้างจนแทบจะมองทั้งห้องได้ทั่วเลยทีเดียวทั้งที่ห้องโถงกลางบ้านนั้นค่อนข้างกว้างพอสมควรนะคะเมื่อลืมตาขึ้นมามองไม่เห็นว่ามีอะไร คุณก้อยก็หลับตาอีกครั้งหนึง่งแต่ว่าไม่ได้นอนหลับนะคะเพียงแค่ว่าหลับตาเพื่อพักสายตาเท่านั้นแล้วก็คิดว่าอีกสักครู่หนึ่งจะลุกขึ้นไปล้างหน้าล้างตาแล้วก็ไปหาแม่ที่บ้านงานจังหวะที่กำลังพักสายตานั่นเองค่ะก็รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างมาสัมผัสที่ต้นแขนอีกครั้งคราวนี้มันชัดเจนมากเพราะรู้สึกได้เลยนะคะว่าเป็นการสัมผัสโดยมือของใครคนหนึ่งที่เย็นมากๆเย็นเฉียบแล้วก็กระด้างสากอย่างบอกไม่ถูก คุณก้อยก็เลยรีบลืมตาขึ้นมองว่าเอ๊ะใครกันที่มาจับแขนแล้วใครคนนั้นก็ได้ทําให้เขาตกใจจนแทบช็อก ค, ค่ะคุณก้อยบอกว่าทันทีที่เขาได้เห็นใบหน้าของคนคนหนึ่งที่อยู่ภายใต้ผ้าคลุมหน้าสีขาวหมน่นใบหน้านั้นเขียวช้ําจนจะออกดําหน้าตบตอบเบ้าตาโหลลึกนะคะแล้วก็ในตาสีแดงก่ําแข็งก้าวกาลังจ้องมองมาที่คุณก้อยอย่างไม่กระพริบ กลิ่นสาบสางอย่างรุนแรงค่ะพุ่งประทะจมูกเต็มรักคุณก้อยอรีบหลับตาด้วยความหวาดกลัวจนตัวสัน่นอยากจะร้องตะโกนออกมาให้สุดเสียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันร้องไม่ออกจริงๆได้แค่ตัวสั่นปากสั่นอยู่อย่างนั้นทำอะไรไม่ถูกมันมีอาการเหมือนกับว่ากำลังจะหน้ามืดแล้วก็เป็นลมอย่างเดียวเท่านั้นนะคะครู่หนึ่ง คุณก้อยบอกว่รู้สึกว่าเขาคลายการบีบที่แขนหนูลงกลิ่นสาบสางจางหายไปหนูจึงค่อยๆลืมตาขึ้นมามองโดยค่อยๆมองเงาสะท้อนจากกระจกเงาที่ตั้งอยู่ปลายเท้าคราวนี้เห็นร่างนั้นลุกขึ้นยืนอยู่บนเหนือหัวของคุณก้อยแบบเต็มตัวเลยนะคะเป็นร่างที่อยู่ภายในผ้าคลุมสีขาวหม่นทั้งตัวเลยค่ะตั้งแต่หัวจรดเท้าแต่ว่าร่างนั้นนะคะได้แต่ยืนนิ่งเฉย อยู่อย่างนั้นนะคะนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้จนกระทั่งได้ยินเสียงแม่เรียกดังแววมาจากหน้าบ้านร่างนั้นก็ได้หายวับไปกับตาคุณแม่ก็เลยเดินเข้ามาในบ้านก็ตกใจค่ะที่เห็นคุณก้อยเนี่ยนอนตัวเกรงแล้วก็สั่นไปทั้งตัวแบบนั้นท่านก็เลยรีบเข้ามากอดไว้แล้วก็เรียกชื่อคุณก้อยเป็นการใหญ่จนกระทั่งคุณก้อยคลายจากความหวาดกลัวแล้วก็พูดอะไรออกมาได้บ้างก็เลยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้แม่ฟัง ทั้งๆที่ยังน่าซีดตัวสั่นอยู่แบบนั้นคุณแม่ก็เลยปลอบนะคะแล้วก็พูดไปดังๆว่าจะเป็นใครก็ตามแต่ขออย่าได้หลอกเด็กเลยให้เด็กกลัวเดี๋ยวทำบุญไปให้ จากนั้นแม่ก็รีบพาออกจากบ้านหลังนั้นแล้วก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยให้ทุกคนฟังนะคะพอได้ยินดังนั้นพวกผู้ใหญ่ก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นผีเรือนมาปลุกก็ได้เพราะว่าโบราณท่านบอกว่าคนที่นอนหลับตอนโพ r o p l เพลย์เนี่ยไม่ดีอาจจะเจ็บป่วยหรือว่าอาจจะไม่สบายอีกทั้งยังอาจจะถูกคุณใสหรือว่าวิ ญ, ญญาณเร่ร่อนเล่นงานตอนโพโลเพลอย์อย่างนี้นี่แหละ นี่แหละคือประสบการณ์สยองขวัญที่คุณก้อยเจอมานะคะเรื่องผีนี่แหละคนที่ไม่เคยเจอด้วยตัวเองก็ไม่มีวันรู้หรอกนะคะว่ามันน่ากลัวสันประาาสาทมากแค่ไหนทางเราก็ต้องขอบคุณคุณก้อยด้วยนะคะที่ส่งเรื่องนี้มาให้เราได้เล่าให้คุณผู้ฟังฟังค่ะเป็นเรื่องที่คุณก้อยนอนอยู่ที่หน้ากระจกนะคะสมัยเมื่อเรียนอยู่ชั้นประถมะศึกษาปีที่6เป็นคนมาบตาพุดจังหวัดระยองขอบพระคุณคุณก้อยมากๆค่ะ ความสัมพันธ์ของคนแล้วก็ป่าในสมัยที่ป่ายังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้พืชพันธุ์แล้วก็สัตว์ป่า น, านานาชนิดยังเป็นไปด้วยความถ้อยทีถ้อยอาศัยพึ่งพากันนะคะเนื่องจากผู้คนในเวลาดังกล่าวยังไม่รู้จักการล่าสัตว์แล้วก็การตัดไม้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจเหมือนอย่างเช่นในปัจจุบันค่ะ แล้วก็ในความอุดมสมบูรณ์ของป่าเวลานั้นถ้าจะว่าไปแล้วแทบจะเรียกพื้นที่ทุกตารางนิ้วของประเทศไทยได้ว่าไม่มีส่วนไหนที่ไม่มีป่าสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคใต้หรือแม้แต่ภาคอีสานที่ใครๆต่างมองว่าเป็นพื้นที่แห้งแล้งที่สุดในประเทศไทยก็เคยมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์กับเขาไม่น้อยด้วยเหมือนกันค่ ะ, ค ะ, ค ะ, คะ ป่าทุกป่าถึงจะได้ชื่อว่าเป็นแหล่งที่พึ่งพิงของมนุษย์ในทุกด้านหากแต่ว่ายามใดก็ตามที่เราล่วงล้ำเข้าไปในเขตของป่าเราจะรับทราบถึงพยันตรายที่แอบแฝงอยู่ในทุกมุมทุกส่วนของป่าไม่ว่าอันตรายนั้นจะมาจากสัตว์น้อยใหญ่ต้นไม้ใบหญ้าที่เป็นพิษโรคระบาดหรือแม้กระทั่งพยันตรายอันมาจากสิ่งร้นลับที่แอบแฝงอยู่ในราวป่าใหญ่ทั้งหลายนะคะ แล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะที่มีโอกาสได้ไปอ่านเจอในหนังสือเล่มหนึ่งที่ได้พูดคุยเกี่ยวกับพรานป่านะคะวัย70กว่าชื่อว่าพรานชุ่มค่ะซึ่งเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีความรู้ความชํานาญป่าไพรแถบเทือกเขาบรรทัดซึ่งในปัจจุบันพรานชุ่มได้เลิอกอาชีพการล่าสัตว์ป่าโดยเด็ดขาดที่แกเลิอกอาชีพนี้ไปไม่ใช่เพราะว่าสาเหตุจากการจับกลุ่มอย่างเอาจริงเอาจังของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ แต่ด้วยสาเหตุที่พรานชุ่มแกกลัวบาปกลัวกรรมมากกว่านะคะเรื่องราวของพรานชุ่มที่แกได้เล่าให้ฟังในหนังสือเล่มที่บีได้ไปอ่านเจอแล้วก็ผู้เขียนหนังสือเล่มนั้นได้นามาถ่ายทอดให้คุณผู้อ่านทั้งหลายรับทราบต่อกันอีกทีนั้นเป็นเรื่องราวที่พรานชุ่มประสบพบเจอมาในสมัยที่แกเพิ่งจะเริ่มเข้าป่าเป็นครั้งแรกค่ะ จากประสบการณ์เจอเรื่องราวที่เหนือความคาดหมายแล้วก็ความคาดฝันของแกในครั้งนั้นมันทําให้แกยังจําได้ดีจนถึงทุกวันนี้แม้ว่าเวลาจะผ่านมานานแล้วหลายสิบปีก็ตามทีพรานชุ่มเริ่มต้นเล่าเรื่องของแกด้วยการเริ่มเรื่องในช่วงที่แกเพิ่งย่างเข้าวัยหนุ่มใหม่ๆนะคะแกบอกว่าในช่วงเวลานั้นแกมีความกระหายที่อยากจะเข้าป่าไปล่าสัตว์ใหญ่เป็นอย่างมาก แต่ด้วยเพราะตัวแกเองเนี่ยไม่มีของดีติดตัวไม่มีเพื่อนร่วมทางที่ดีไม่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในป่าไปด้วยมันก็เลยทำให้พรานชุ่มไม่มีความกล้าพอที่จะย่างกรายเข้าไปในเขตป่าพงไพรพรานชุ่มทำได้เพียงแค่ออกไปล่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยในละแวกชายป่าใกล้ๆบ้านเท่านั้นเองค่ะ กก็พยายามอยู่หลายครั้งที่จะขอติดตามผู้เท่าคนหนึ่งที่เป็นพรานจำนานไพรประจําหมู่บ้านแห่งนี้เพื่อออกไปฆ่าท่างสองสัตว์ในป่าลึกซึ่งทุกครั้งนะคะที่พรานชุม่มอ้อนวอนขอติดตามพรานเท่าไปด้วยแกมักจะได้รับคําตอบเช่นเดิมจากพรานเท่าผู้นี้ก็คือคําปฏิเสธค่ะถึงแม้ว่าพรานชุ่มจะได้รับคําปฏิเสธจากพรานเท่าแต่ตัวของพรานชุ่มเองก็หาได้ละความพยายามในการที่จะออกติดตามพรานเท่าแต่อย่างใด ตรงกันข้ามนะคะแกกลับปรนิบัติเอาอกเอาใจพรานเท่าเหมือนเป็นลูกเป็นหลานของพรานเท่าเองจนวันหนึ่งค่ะพรานเท่าเกิดความใจอ่อนเพราะวทนต่อความตั้งใจจริงของพรานชุ่มไม่ไหวจึงยอมที่จะให้พรานชุ่มเนี่ยติดตามพรานเท่าไปได้ในครั้งที่ออกป่าทเที่ยวที่กำลังจะมาถึงนะคะ พรานชุ่มบอกว่าตอนนั้นพอได้รับอนุญาตจากพ่อครูให้ออกป่าเป็นครั้งแรกตาดีใจและตื่นเต้นเป็นอย่างมากในการที่ได้ออกล่าสัตว์หรือว่าออกไปสัมผัสกับชีวิตของการเป็นพรานตาวาดภาพเรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้นหัวใจของตามันพองโตเมื่อนึกถึงตอนที่ตายิงสัตว์ใหญ่ได้สักตัวพรานชุ่มใช้คำว่าพ่อครูแทนชื่อของพรานเท่าด้วยความที่แกเคารพพรานคนนี้เหมือนว่าเป็นครูของแกคนหนึ่งนะคะ พราชุ่มจัดแจงเตรียมข้าวของตั้งแต่ก่อนออกเดินทางจริงถึงเกือบ3ามวันอุปกรณ์ที่แกเตรียมไปนั้นดูเหมือนจะเยอะเกินความจําเป็นที่คนใช้ชีวิตในป่าต้องเตรียมไปจนมีคนที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นมาเห็นการเตรียมเนื้อเตรียมตัวของแกสําหรับการออกป่าครั้งนี้ถึงกับทําให้พวกเขาเหล่านั้นพากันล้อพรานชุ่มนะคะว่าจะย้ายบ้านหรือว่าจะไปยิงสัตว์กันแน่พรานชุ่มยังบอกอีกนะคะในหนังสือเล่มที่บีไปอ่านเจอบอกว่าหลานเชื่อไหย พอวันที่ตาออกเดินทางเข้าป่าพ่อครูต้องไล่ให้ตากลับบ้านเพื่อเอาข้าวของเครื่องใช้ที่ไม่จําเป็นไปเก็บก่อนส่วนที่จะนําติดตัวไปจริงๆนั้นพ่อครใูให้ตาเอาไปแค่ปืนดินปืนมีดลูกตะกัวข้าวสารพริกแห้งแล้วก็เกลือซึ่งอย่างหลังเนี่ยสำคัญพ่อครูบอกว่าให้เอาไปให้มากหน่อยเผื่อเวลาทําเนื้อเค็มเก็บเอาไว้นานๆ พรานชุ่มกล่าวอย่างอารมณ์ดีนะคะขณะที่เล่าถึงความหลังในครั้งนั้นทั้งพลานชุม่มทั้งพ่อครูของแกก็เริ่มเดินทางออกจากบ้านไปยังที่หมายที่ต้องการจะไปส่องสัตว์ตั้งแต่ฟ้าสา n เหตุผลที่ต้องออกเดินทางตั้งแต่เช้าตรูเนี่ยนะคะก็เนื่องด้วยที่หมายที่ทั้งสองคนจะไปนั้นมันต้องใช้เวลาในการเดินทางเท้าเกือบห้าชั่วโมงค่ะ ซึ่งถ้าหากว่ามัวแต่ชักช้าโอเออยู่กว่าจะเดินทางไปถึงกว่าจะจัดแจงเตรียมสถานที่เสร็จคงไม่ทันการท้ำมืดซะก่อนระหว่างที่ตาเดินไปนั้นตาไม่ยอมเอ่ยปากถามพ่อครูเลยว่าที่หมายที่จะไปข้าห้างมันอยู่ที่ใดต้องเดินไปอีกไกลหรือเปล่า ตารู้นิสัยของพ่อครูดีว่าหากขืนตาพูดมากเนี่ยสงสัยเลยว่าตาอาจจะมีสิทธิ์โดนตะเพิดไล่กลับบ้านแล้วตาก็ได้รู้คำตอบอีกทีว่าจุดหมายของเราอยู่ที่ไหนก็ตอนที่เราหยุดพักกินข้าวกลางวันกันแล้ว พุหลุมพีคือที่หลายที่พรานเท่าบอกแก่พรานชุ่มว่าพวกเขาทั้งสองจะต้องทาดห้างสองสัตว์กันซึ่งชื่อเสียงแห่งความสุกสนของสัตว์ที่มารวมกันอยู่ที่พุหลุมพีแห่งนี้พรานชุ่มแกก็เคยได้ยินมาบ้างจากคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านหลุมพีนะคะคุณผู้ฟังก็คือต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกันกับระกำแต่ว่าลูกของมันจะกลมๆป้อมๆกว่าระกำมัมกจะมีถิ่นที่อยู่นะคะตามป่าพุแถวภาคใต้ค่ะ ก่าที่พลานเท่าแล้วก็พรานชุ่มจะดันด้นมาถึงบริเวณป่าพุธดังกล่าวเวลาก็บ่ายคล้อยแล้วพรานชุ่มบอกว่าเมื่อมาถึงที่ทั้งสองจะคาดห้างสองสัตว์บทเรียนแรกของการเป็นพรานป่าที่พลานเท่าได้ถ่ายทอดมาให้ก็คือการฝึกสังเกตบริเวณที่สัตว์จะออกหาลูกไม้กินนะคะแล้วก็ฝึกการเลือกต้นไม้สําหรับเป็นที่ผูกห้าง พลานเท่ามองสำรวจป่ารอบตัวอยู่พักใหญ่เพื่อมองหาต้นไม้ขนาดพอจะรับน้ำหนักตัวของคนสองคนได้สบายซึ่งพลานเท่าก็มาสะดุดหยุดอยู่กับต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งที่มีกิ่งก้านสาขาปกคลุมรกครึ้มยืนตระงานอยู่ริมหนองน้ำพลานเท่าก็เลยออกคำสั่งให้พรานชุ่มเนี่ยลงมือตัดแต่งต้นไทรต้นนั้นเพื่อใช้สาหรับผูกห้างสองสัตว์ในตอนกลางคืนค่ะ ห้างที่ใช้สำหรับเป็นที่พักแล้วก็ส่องสัตว์ของคนทั้งสองคนถูกสร้างขึ้นอย่างลวกๆแต่ว่าแข็งแรงตามคําแนะนําของพรานเท่าโดยมีพรานชุ่มนะคะเป็นผู้ลงมือทาก่อนที่ดวงอาทิตย์จะรับขอบฟ้าไปเล็กน้อยครันพอทุกอย่างเสร็จสับแล้วก็พร้อมสำหรับภารกิจคู่หูต่างวัยทั้งสองก็พาร่างของตัวเองขึ้นไปหลบอยู่บนห้างเรียบร้อยแล้ว พ่อครูบอกว่าเราต้องทำทุกอย่างให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะขึ้นไปอยู่บนห้างเพราะถ้าหากเราได้ขึ้นไปอยู่บนนั้นแล้วเราต้องไม่ลงมายัางพื้นดินอีกการที่เราขึ้นลงระหว่างห้างแล้วก็พื้นดินบ่อยๆมันจะไม่เป็นผลดีกับตัวเราเองไหนสัตว์จะได้กลิ่นเราแล้วมันก็จะตื่นหนีเราไปไหนจะมีสัตว์ล่าเนื้อที่หลบซ่อนอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อาจจะดักซุ่มทาร้ายเราก็ได้ นี่คือความรู้บทที่สองที่พรานเท่าได้สอนให้พรานชุ่มเก็บไว้ใช้ในยามที่แกเข้าป่าครั้งต่อไปค่ะถึงทำเลที่ตั้งของห้างแล้วก็ปาดรอบข้างจะเหมาะ ต่อการค่าท่างส่องสัตว์สักเพียงใดแต่ว่าจนแล้วจนรอดพรานผู้เชี่ยวชาญและก็พรานหน้าใหม่ก็ยังไม่เห็นสัตว์ชนิดใดโผล่หน้ามาให้เห็นสักตัวรอบทางของพรานทั้งสองในเวลานี้เห็นจะมีแค่ความมืดแห่งรัตติกานกับเสียงของแมลงกลางคืนที่กรีดปีกส่งเสียงหาคู่ระงมไปทั่วราวป่ารวมทั้งแสงสว่างจากหิ่งห้อยอันวับแวมราวกับแสงสว่างของดวงดาวแล้วก็ความหนาวเหน็บแห่งค่ําคืนเท่านั้นเองค่ะ สองพรานยังคงนอนหมอบราบอยู่บนห้างด้วยความหวังนะคะ ว, ว่าจะมีสัตว์เคราะห์ร้ายหลงเข้ามาในรัศมีปืนสักตัวหนึ่งจนเมื่อเวลาล่วงเลยไปกี่โมงกี่ยามแล้วก็ไม่รู้ความง่วงอันเกิดจากความหนาวเหน็บบวกกับความเหนื่อยล้ามาทั้งวันมันก็เริ่มเข้าครองสติสัมปชัญญะของพรานทั้งสองให้ลดน้อยลงไปโดยเฉพาะพรานเท่าผู้มีร่างกายที่ย่างเข้าสู่วัยร่วงโรย คืนนั้นอากาศเย็นมากเย็นถึงขนาดว่าปากของเราสั่นระริกเลยทีเดียวทั้งตาแล้วก็พ่อครูยังทนฝืนสังขารด้วยการทำให้ตัวเองตื่นตัวอยู่เสมอเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการยิงสัตว์ที่อาจจะออกมากินลูกไม้หรือว่าดินโป่งตาต้องฝืนทนอยู่อย่างนั้นแต่พอหันมามองพ่อครูที่อยู่ข้างๆก็ปรากฏว่าแกหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ไอ้ครั้นจะไปปลูกคนแก่มันก็ใช่ที่ด้วยความสงสารพ่อครูตาก็เลยปล่อยให้หลับตามสบายตาคิดอยู่ในใจว่าหากสัตว์ออกมาจริงๆแล้วค่อยสะกิดพรานชุ่มให้เหตุผลนะคะแม่พ่อครูของพรานชุ่มจะม้อยหลับไปแล้วแต่ว่าพรานชุ่มเองก็ยังคงทนทางตาเฝ้าดูต่อไปเผื่อว่าจะมีสัตว์ตัวไหนหลงเข้ามาให้แกได้ยิงสักเปรี้ยงหนึ่งจนกระทั่งพรานชุ่มได้ยินเสียงไก่ป่าส่งเสียงขันครั้งแรกค่ะเป็นสัญญาณบอกว่าตอนนี้มันตีหนึ่งแล้วนะ นั่นแหละนะคะถึงทำให้แกละความตั้งใจที่จะหันมางีบเอาแรงทำอย่างเดียวกับที่พ่อครูของแกทาหากพรานชุ่มก็ยังไม่ลืมที่จะเอาปืนคู่ใจเนี่ยมานอนกอดไว้ด้วยสัญชาตญาณของความเป็นพรานป่าที่เริ่มจะซึมซับเข้าไปในสายเลือด พรานผ่านชุ่มได้หลับนานไปพอสมควรค่ะแกรู้สึกตัวอีกทีนึงก็ตอนที่ประสาทหูของแกได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเดินตะลุยฝ่าพงป่าเข้ามาบริเวณพื้นที่เป้าหมายที่พรานเท่าคาดว่าจะมีสัตว์ออกมาให้ยิงด้วยความระวังตัวอยู่ก่อนแล้วนะคะพรานชุ่มก็ค่อยๆพลิกนอนในท่าเตรียมยิงอย่างแผ่วเบาที่สุดเท่าที่จะทาได้พร้อมทั้งปืนในมือก็ถูกเล็งไปยังต้นกาเนิดของเสียงดังกล่าว พรานชุ่มพยายามใช้สายตามองฝาาความมืดออกไปบริเวณที่ได้ยินเสียงดังสวบสาบนะคะพลางกวาดสายตาไป ร, บรอบเพื่อต้องการจะรู้ว่าสัตว์ตัวไหนที่เข้ามาแล้วก็มันเป็นสัตว์ชนิดใดกันแน่สมควรจะยิงได้หรือไม่แต่ว่าสายตาของแกเองก็ต้องไปสะดุดเข้ากับเงาบางอย่างที่เคลื่อนไหวอยู่ค่ะ แล้วก็พอแกเพ่งมองสิ่งที่กำลังเคลื่อนไหวนานๆไปทำให้แกรู้นะคะว่ามันไม่ใช่สัตว์ชนิดใดทั้งนั้นแต่ว่ามันกลายเป็นเด็กเล็กๆที่เพิ่งจะคลานเป็นขอบอกตามตรงเลยแบบไม่อายคุณตาบอกว่าความรู้สึกของตาในตอนนั้ น, นมันน่ากลัวมากสติแทบจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยทีเดียวก็ในเมื่อความเป็นจริงมันจะเป็นไปได้อย่างไรที่จะมีเด็กมาคลานเล่นอยู่ในป่าลึกแห่งนี้ ความกลัวที่ตามีในตอนนั้นมันมากซะจนทำให้ตาลืมเรียกพ่อครูที่นอนหลับอยู่ข้างๆเพื่อตื่นขึ้นมาดูเด็กประหลาดที่เห็นอยู่นั้นว่ามันเป็นอะไรกันแน่ในระหว่างที่ตากำลังตื่นกลัวแล้วก็สับสนอยู่นั้นเองนะคะแว็บหนึ่งในความรู้สึกเหมือนกับว่ามีอะไรมาร้องเรียกให้ตาลงจากข้างเพื่อให้ไปหาเด็กประหลาดบนพื้นดิน พลานชุ่มก็ทำตามคำเรียกร้องที่เกิดขึ้นในความรู้สึกของตัวเองอย่างว่าง่ายค่ะแกค่อยๆไต่ลงมาจากห้างเพื่อจะเดินเข้าไปหาร่างของเด็กประหลาดที่ยังคงคลานเล่นอยู่ในราวปาดด้วยความสนุกสนานเด็กประหลาดพอเห็นแกเดินเข้าไปใกล้ก็เกิดความดีใจส่งเสียงหัวเราะคิกคักพร้อมทั้งชูมือร่าคล้ายกับต้องการให้พรานชุ่มยกขึ้นอุ้ม อาจจะเป็นเพราะว่าพานชุ่มเนี่ยยังโชคดีนะคะที่พ่อครูหรือว่าพานเท่าตื่นขึ้นมาทันก่อนที่แกจะยื่นมือไปจับตัวของเด็กคนนั้นซึ่งพอพานเท่าเห็นเหตุการณ์แล้วก็ประติดประต่อเรื่องราวที่กําลังดําเนินไปได้ทั้งหมดพานเท่าจึงตัดสินใจเรียกชื่อของลูกศิษย์จนดังลั่นไปทั่วทั้งป่าเสียงพ่อครูหรือว่าพานเท่ามันดังพอที่จะทําให้พานชุ่มเนี่ยกลับมามีสติขึ้นอีกครั้งหนึ่ง แต่ด้วยความที่งงค่ะว่าทําไมตัวเองต้องลงมาอยู่บนพื้นดินอย่างนี้มันก็เลยทําให้แกไม่กลับขึ้นไปอยู่บนห้างในทันทีทันใดผ่านชุ่มยังคงเลิกลักอยู่พักใหญ่ขณะเลี้ยวซ้ายมองขวาเพื่อจะมองหาเด็กคนนั้นว่ามันหายไปได้อย่างไรและมันหายไปไหนแล้วเปล่าเลยค่ะมันไม่ได้หายไปไหนหรอกมันยังคงคลานเล่นอยู่ใกล้ใก ล, ก, ลกันกับบริเวณที่แกยือนอยู่แต่แล้วเหตุการณ์ที่แกไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอีกเมื่อร่างของเด็กที่คลานอยู่นะคะได้เปลี่ยนไป โดยที่มือแล้วก็เท้าทั้งสองค่อยๆหดหายไปต่อหน้าต่อตาและท่าทางที่คลานก็เปลี่ยนเป็นกลิ้งหลุนๆ ห, หายเข้าไปในพุ่มไม้ที่ทึบแล้วก็อยู่ห่างออกไปเล็กน้อยคราวนี้พรานชุ่มย่อมประจักษ์แกสายตาแล้วนะคะว่าสิ่งที่เห็นอยู่ข้างหน้ามันคืออะไรแกจึงรีบตะเกียกตะกายขึ้นมาบนห้างอย่างรวดเร็วตาพึ่งจะมารู้ทีหลังว่าสิ่งที่ตาได้เจอมาพวกพรานป่าเขาเรียกว่ากลิ้งดงค่ะ ซึ่งหากในคืนที่ตาได้เจอมันแล้วถ้าตาเกิดไปจับตัวมันแล้วก็อุ้มมันขึ้นมาตาก็จะได้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของมันที่มีลักษณะเหมือนกันกันกบคนแก่วัยเกือบร้อยปีไม่มีฟันแล้วก็ส่งเสียงหัวเราะอันเล็กแหลมอย่างน่ากลัวส่วนมันจะทําอันตรายให้กับคนที่อุ้มมันหรือเปล่าตาก็ไม่แน่ใจเพราะว่าตั้งแต่ตาเป็นพรานมาจนอายุจะเข้า80สิบ ตายังไม่เคยได้ยินถึงเรื่องที่กลิ้งดงมันทำร้ายใครแต่ถ้าจะให้ดีตาว่าเวลาเราเจอมันเข้าเราไม่ควรลงจากห้างไปหามันเพราะดีไม่ดีเวลาเราลงไปหามันจากห้างเนี่ยอาจจะไปโดนสัตว์ล่าเนื้อที่ซุ่มอยู่ทำร้ายเอาก็ได้ ป่านชุม่มพูเคยผ่านประสบการณ์การใช้ชีวิตในป่ามาอย่างโชคชนให้ข้อคิดส่งท้ายก่อนจากไปนะคะนี่คือเรื่องราวที่บีนํามาฝากคุณผู้ฟังประจําวันนี้ในชาแนลพระเจอผีแล้วก็แฟนเพจพระเจอผีขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับฟังรายการของเรานะคะหากเรื่องเล่าหรือว่าคําพูดคําจาใดาผิดพลาดไปก็ต้องกราบขออภัยมาณะที่นี้และเช่นเคยค่ะบีเองก็ขอฝากด้วยนะคะกดติดตามช่อง YouTube ของเราแล้วก็กดไ like ล กดแชร์คลิปหากว่าใครอยากจะพูดคุยกับเรานะคะสามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้หรือว่าจะตามไปกดถูกใจที่แฟนเพจได้นะคะโดยพิมพ์เข้าไปที่ f Facebook ค, ค่ะบอกว่าพระเจอผีเพียงแค่นี้ก็จะเจอเจอกันแล้วนะคะใน Facebook วันนี้หมดเวลาแล้วเรียบร้อยค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนจเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ